ประเทศถึงเรื่องสติปัญหาที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัญหากายก็เป็นที่ตั้งของสติเมทนาคือความสุกสมุขที่เกิดที่กายนี่แหละก็เป็นที่ตั้งของเมทนาหนึ่งจ ทุกคิดทุกนึกก็เป็นคิศตั้งของเวทนานั่นเป็นที่ตั้งของสติอันนี้งธรรมะทุกสิ่งที่สภาพที่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็เป็นทิศตั้งของสติการหัดภาวนาทำโครงเขียน ถ้าบมีที่ตั้งแบบบมีจุดหมายบ่มีที่ตั้งทําสมเพี่ยนภาวนาเป็นไปได้แสนยากในพุทธจักว่าเจ้าของเป็นหรือเป่เป็นในพุทจักว่าดีขึ้นหรือว่าเลวลงในพุทจักว่าผิดหรือถูกพระบ่มีจุดและบ่มีที่ตั้ง เนีย่ยนั่นจึงผพทใจเจ้าอย่างเทศนาให้ไว้ให้พากันตดลมสติสติเป็นของสำคัญที่สุดคำยางทั้งหมดถ้าป่าจะจากสติแล้วเป็นอ น, นว่าเล็วไหลให้บริสุสติเป็นของสำคัญมากสติสืกสวมระลึกได้หากเราจะ อย่างรู้จักเราสติมีลักษณะยังไงในที่ตัวสิ่เหล่านล้อะไรสันอย่างเราเดินไปในที่เปลี่ยวไปคนเดียวเมื่อมีความเสัวส่วบาดเสียวดวยสิตการจิตใจน่าจะคอยระมัดระวังรอบด้านรอบทาง จะได้ยินเสียงเห็นกระตามเห็นกันสั่งจะต้องเตรียมตัวตลอดเวลาลักษณะของสตินี้ไม่เช่นนั้นเห็นกันง่ายดังเราเดินบนสะพานไม่ลำเดียวในที่ที่สูงอย่างพวกทีนเขาไต่รวดเขาหัดไต่รวดเป็นเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างล่ะในเนื้อในกายของเขจะต้องรู้จักกดจะต้องรู้จักถึงแลาจะรู้จักรู้จักทําในสิ่งที่ควอ่อนก็ให้อ่อนสิ่งที่ควรให้แข็งก็แข็งเขาจะต้องะระมัดระวังตัวของเขาพอมันทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> นหน้าตานของสติอะไรนะจ๊ะ ให้จับลักษณะของสติให้หมันได้ที่ว่าตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมจะตั้งอย่างไรเยอให้รู้จัลกลรสทนาของสติอย่างชีว่ะนี้ก่อนคั้งเมื่อเราจับลักษณะอันนี้ได้แล้วรู้จักลักษณะสติมีในอย่างอย่างอธิบายมาแล้ว เรามาตั้งสติสมดุลที่กายกายของเราเนี่น่ะจะมีอาการเคลื่อนไหวด้วยาการในแรงของมดยืนเดินนั่งนอนการมีสติรู้เท่ารู้เสมอว่เวลานี้เรานั่งเวลานี้เรายืนเวลานี้เราเดินเวลานี้เราพูกเวลานี้เราเดินเวลานั้นเวลานี้เรากิน เวลานี้เราคิดนึกเอียงรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีส ต, ติเราลึกได้เหมือนกันกับเราลึกในเมืองกับที่อธิบายมึงให้รู้อยู่ตลอดเวลารู้เรื่องของตัวนี้ตลอดเวลาลักษณะอาการที่ว่าริิจระนาการ เป็นที่ตั้งของสติที่จะนากายให้สติอยู่ที่กายแห่งเดียวไม่ให้ส่งไปในที่อื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นลักษณะทุตัวไปที่สมมติกายสติตั้งไว้ที่กายทุตัวไปต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ที่ท่านอธิบายว่าพเจารณาสติไว้ตั้งไว้ที่กายพิจารณากายเข้าไปพิจารณากายให้เห็นสักได้ว่ากายไม่ใช่สักตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายยานปัจจานาสติปัฏฐานโมเมนต์่หตตัวปานนั้นได้บัน บมเมนแต่ว่าเราจะพิจารณาอย่างอย่างตัณฑตื่นเลยผู้ใจเห็นว่าสักจจะว่ากายนี่โมเมนพิจารณาอย่างไรยังละเอียดกันไปกว่านั้นอีกลึกซึ้งกันไปกว่านั้นอีกพิจารณาเพียงแค่นั้นเองโมเดเห็นดอกโมเห็นดอกทัศน์เห็นสัจจะว่ากายบ่โมเห็นเต็้งพิจารณาลึกละเอียดกันไปกว่านั้นอีกพิจารณาอย่างไหน จะพิจารณาเป็นของบทเปลี่ยนในจะพิจารณาเป็นของเป็นของทุกข์พิจารณาเป็นของบรมมิเวณของสมของตัวก็ได้เพื่อนมันคกว้างสองพิสดานพิจารณกายเนี่ยว่ากายนี้เป็นที่ไประชุมของธรรมะทั้งหลายพิจารณากายเห็นเป็นอสุภะ ก็พิสดารช่วงขวง่องเรื่อของปฏิกรูนโศกเสวยเน่าเข้าถึงอ น, นิจแนงที่ข้างหน้าตาเข้าถึงสภาวธรรมได้ทุกอย่าที่เห็นตัดเจ้าออ ก, กายได้เหมือนกันคือเพิจารณากายนี่อาการกายที่สองเรื่อของปฏิกูลเสวยเน่าเกิดขึ้นแล้วสลายดับสูญไปถ้าหาว่าพิจารณาลงไปด้วยอาการนี่ จ น, นจิตมันปล่อยวางกายวุยตออกมาเป็นของสมองตัวเห็นเป็นของปฏิกูลเปลือยเนา่าละลายไปเป็นธาตุสีเป็น 5, 4, น้ำไปลมตามวิทยานาั้งธาตุสีเป็นของนี้อยู่กับโลกเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับประชุมเกิดขึ้นในที่ใดสับปิดก้อนขึ้นแล้ดับไปลหลายไปแล้วเห็นเป็นสภาวะธรรมเกิดจากตัวมัน มันเลยบกเข้าไปยึดคือวันโบเมนของไทยเป็นโบเมนของโบเมนของตนของตังงวเรืนของโบเทียนเป็นอนากาเกิดเชื้อไม้และสลายดับไปถ้าหนูเามาเปลี่ยนมันกับฟองน้ําันเหมือนกับต่อมน้ําที่เกิดเช้อม้จากน้ําเป็นต่อมขึ้นมาและมันสลายก็เป็นน้ําตามเดิมนักชั้นเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นพร้อมกันนั้นปิด มันอยู่ได้บ้างิดมันสงบแนว่วลงเป็นสมาธิพร้อมกันกับสติจึงจะปล่อยวางกายนั้นเห็นเป็นเรื่องของเกิดดับของมันเท่านั้นกายนั้นบไ ม, ม่นด้ใช้ไม่ตนเป็นตัวเปนเราไม่เขาเห็นแต่ภาวะเพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเท่านั้นให้อยู่ตามเรื่องขอมั อันนั้นจึงจะถึงพิจารณาตายเห็นพักแค ว, ว่าตายไม่ใส่กับตัวตนบุคคลว่าเรียกว่าตายย า, า, า, า แ, และปราษนาสติปัฏฐานมันเป่แม่งของไถ่สกิดลงด้วดครับทั้าไม้เห็นนะครมันเกิดดับเกิดดับไม่งของไถ่ไจะเป็นเจ้าเป็นงจ้าไถ่จะเป็นใหญ่เป็นโตถ่จะอิสระในเรื่องนั้นนะัองกกเกิดมันจะเกิดเป็นเองมืนดับมันก็ดับไปเองแต่ส่วนตัว มันจะแน่นของไเห็นตะเกีเป็นก้อนันหนึ่ง้องเกิดดับตรงเมือนกับต่อน้ำที่ว่านะต่อนที่เกิดขึ้นจากน้ำนล้นก็นสลายไปเป็นน้ำนั้นเป็นหยางเป็นตัวอย่างนั้นต่อนั้ น, น, นเป็นตัวหนึ่งตัดกัวตนพวกเขาคนแล้วเขาอย่างเห็นตะขาบนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปดับจิตที่ไปเจ า, าเห็นชัดจะมากล่อยว่า จึงก็จะเห็นชาติวากายเนืแน่นตัดตัวตนบุคคลแล้วท่านจึงเรียกว่ากายยานุปัสนาสติปัฏฐานติตที่เข้าไปตั้งอยู่ที่กายพิจารณาอย่างนี้จึงจะเป็นสติปัฏฐานเรียกว่าวิปัสนาสติปัฏฐาน ทีเห็นแยง่งเห็นชัดนั่นเองการจริงๆี่มีว่ า, าจจเฉพาะถึงเรื่องกายถ้หากครูพนะิเชษนาเห็นอย่างนั้นแล้วความชัดอันนั้นยังคิดทดนนเหลือที่จะคณะนานะที่คณะนาและอธิบายมา น, นี้พอเป็นแนวทางเรียกว่าทางที่มันจะ้เห็นชัดแด้ว่ากาย ว่แม่มมมมมมสัตว wow, ์ตนบุคคลนั้มันเห็นไปแนวอย could, ่างที่ม <than> ีแนวอย่างที่ที่บาจะเห็นเป็นกายค่ะชือว่ากายเป็นว่แม่สัตว์ตนบุคคลนั้นแต่ผู้เห็นด้วยตนเองแล้วมันคิดษาเนื้อที่จะพัฒนานะและความพัดความจริงนอั่นของแต่ละบุคคลนั้นพิเศษคิดกันละเอียดคิดกัน ผู้อื่นซึ่งจะอธิบายให้เหมือนกับเปนความเป็นอยู่ของตนกาเป็นได้หรือตนที่เป็นอย่างนั้นะจะอธิบายคนอื่นฟังจนตลอดเล่าฟังลุกทิ้นสุดก็จะอธิบายก็่ได้ที่สันอันนั้นแหละ ว, ว่าที่เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิ มันก็เข้าในหมู่เดียวกันนี่แหละมีว่าถึงเรื่องเวทนาต่อไปเราพิจารณาเวทนาเวทนากระบวมันอื่นที่ไสก็เกิดที่ตัวงเราเช็ดหายได้ทัญาีโดยจะดีสบาทเช็บเมัวอปวดท้องนี่าะนัานจะร้อนจะหนาว นิ้วก็หายยังก็ตามเรียกว่าเวทนาเวทนานั่นลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไงจึงเรียกว่าเวทนาให้่คนหัวักทุกคน่ะคือหัวใจโดยสัมมาหัวใจเสกความบริสบายเรียกว่าเวทนาคือทุกขเวทนาความบริสายแล้วเรียกว่าเวทนาผู้ได้้รูจักวใจทุกคนคือทอทนาุกาแต่เวทนามีหลายอย่างนี้ ตุกก็เรียกว่าเวทนาด้วยเรียก ก, กับทุกกเวทนาบุตุ๊กบุตุ๊กก็เรียกว่าเวทนามเรียกว่าอุปเวทนาโสมนัตโสมนัตอย่างพิสดานต่อไปอีกท่านก็เรียกกับเวทนาคือพิสดารท่วมท้นมากั้งร้อยแปดพิสดานเราไปเรียกกับเวทนาทั้งนั้น ลักษณะของเวทนาอย่างไรสิให้จัดบ่อนเหมือนที่เราสมมุติได้เรายึดกันถือกันว่าทุกเวทนาความทุกเกิดขึ้นโดยเฉพาะสวดสีสระเจ็บหัวแล้วออกมันเจ็บอยู่ตรงไหนมันเจ็บอยู่บนไหนมีลักษณะอาการอย่างไรเสียเรียกวเวทนาให้พิจารณามันชัดสิมันเห็นตัวเวทนามันชัดส แล้วก็พิจารณาเวทนามันชัดบุรู้เรื่องเวทนาแล้วก็พิจารณาเวทนาบริเตนคืออะไพิจารณาพิจารณาบรไใดคือกันพิจารณาเวทนาบริถึงนิพพัสนาคือกันเรเป็นสติคือกันโมเป็นสติปัฏฐานเวทนาเปันสนาสติปัฏฐานบริเตนเป็นใดบริใดเวทนาสึกสนเสีจคือส่วนเสียเสียแท่ง มันเจ็บตัวตัวเกวเจ็บอย่างนั้นเนี่ยก็เจ็บมาแทงความทุกข์เห็นได้ง่ายคล้ายๆจะเห็นได้ง่ายทั้งที่เจ็บนั่นมันกระตุกอยู่ตลอดเวลามันเจ็บห น, นักจนกระตุกเลยเวทนาเห็นง่ายถึงความทุก ข, ข์เขาเวทนาควาทุกข์เวทนานะั้มันก็กระตุก มันซึมมันชอบมันยึดไม่ชอบไปเึงไปพอใจคนสุขชอบอกชอบใจอันนี้คนยังค่อยบอกเข้าใจถึงเรื่องสุกขภาทนาและเมื่ อ, อยากคิดเมื่อจะพูดถึงเรื่องสุขภาวนาเพราะเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งใด้าบจะชอบและยกโทษกันคนเราสิ่งใดค่อยชอบแล้วหลับไปพูดสนับส่งได้ชอบนะ จริงที่พระเจ้าไลยยกโทษขันวัดขอให้น้อยทะเลโทษใหญ่โทษโตขึ้นยิ่งเป็นอุเบกหาเวทนาซือบรรทุกบรทุกเฉยๆนั่นเอยิ่งคนบริจัดทั้งซื้บทุกบรรทุกเกิดหมายควมทั้งสุขกันเองสุขเวทนาเองแต่มาสุขละเอียดกว่าสุขเวทนาสุขนั้นมันุละเอียดกว่า นึกคิดอย่างที่แหละก็แล้วสิคิดเฉยหมดคิดบมนึกบมดคิดหดทุกข์ก็ยังหล่ะเยกว่าปวดท้องกบบระบาะะชิ้มวันชิ้ม่ืนจะเพื่อจะเพลินจะสนุกสบายกบบระเบาะละผู้ซึ่งจะรู้จักผู้เปรีหาเวทนาซึ่งประสบประสบนั้น่าวานาต่ก่อนในชก่วข้ จิตขณะใดที่เป็นสมาธิทอดทุรก่อยว่าบกทั้างหนึ่นงทสิ่งใดในหะลวงวัดเย็นสบายนะนีนั้นเรเรียกว่าอเุเบกขาเวทนานวทนาท่านตรัสรู้พูดถึงเรื่องฌานทางนั้นอเุเบกขาเวทนาจิตมันนิ่งเฉยแคอเดียนอารมณ์เดียวการพูดกันสมายควาว่า ก็อยได้อยู่ในคงสุขอันเดียวบม่มีอารมณ์อื่นไใดไม่นีอารมณ์ใดเข้ามาแผ่วผ่านอยู่ในเอกกาจิตเอกกาตาลมยังเรียกวิเศษเวทนาเมื่อถ้าหากเรารู้จักเวทนาอย่างนี้แล้วรู้เรื่องของเวทนารู้ลักษณะอาการเจริญญาของเวทนาแล้วนี้อะไราจึงจะเข้าพิจารณาเวทนา เรื่องทุกขลหรุเปะทุกขเวทนาหรือุเปะหาเวทน า, าเรต้องพูดอ่ะพูดเป็นเรื่องทุกขเวทนาใช่ป่ะพูดอันนี้แหละมันยังจะเข้าใจง่ายและจะจับได้ง่ายและต่อสู้อย่างยิ่งเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นสมมติว่าเราเจ็บหัวแล้วปวดท้องเจ็บเราจะลงจะตายใช่ป่ะ เราสติเข้าพิจารณาบนบนจิต น, นี่วิธีที่จะพิจารณาเวทนาหรปัสจนาสีประทันก็เอาสติเข้าไปตั้งสติอย่างเก่าแล้วลนะ่ะที่อธิบายฟังก่อ น, นนะ่ะเข้าไปจดจ่อจะก็ถึงเรื่องเวทนาเมื่อเราเอาสติไปพิจารณาตรงที่มันเกิดทุกเวทนาเข้าไปดูตัวเวทนาทแท้ ไปดูสีสระที่มันเจ็บจนะิตไปเห่งโดยที่มันเจ็บนะั่นมีตนมีตัวอย่างไรมันมีสิวพันลักษณะาอาการอย่างไรมันมีสีสันอย่างไนตัวเวทนาถ้าเราจิตไปตั้งไว้เฉพาะตรงนั้นอนะแห้งพิจารณานัเนนะี่ยมาให้ไปทั้งใดทีเดียวให้เน่าอย่างในเรื่องเดียวไปดูตรงนั้น แค่เรเห็นตัวเวทนาจะเห็นแต่รูปคืรูปกายนี่แหละดังที่บารมีบนต้นคือตัวที่แหละอย่างเราไปเช่งดูที่สีกะที่มันที่มันเจ็บมันก็จะเห็นแต่กระดูกเห็นแต่สมองเห็นแต่ผมเห็นแต่เนื้อเป็นหนังพุมกะโลก นั้นตัวเวทนาเลยที่มีมันเลยมันมีส่วนมีส่วนถ้าเราสร้างสติแห่งพิจารณาอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้คนคว้าวดดูอยู่อย่างนี้ในขณะนั้น่ะจิตนั้นจะรวมวูบว่าลงไปสงบ ลืมเวทนาเวทนายูรประปาก ร, ดกรปดติอปรากรนั่นอย่างนี้ัวทนาอย่างนี้นั่นหายเด็ดขาดเลยเวทนาวราไม่มีนี่เวทนาเลยหายไปดัง น, นั้นบางทีเวทนาจะปรากฏอยู่แต่ว่าเราจะ บอกเปยึดเวืานาแต่ที่จะนัยเห็นกระดูกเห็นสมองสมองประโลกปีศาะและจะเห็นสมองเห็นประกา์ต่งางๆและเห็นหนังเห็นขนเห็นผมเลยที่เรเห็นขัวเวทนาที่สัญลักษณะ์ไออาการไอที้สัญของเวทนาในครา้นี้เมื่อเราไปเห็นอาจารย์แล้นัน ศีรําสมองนั่นก็ดีแจ็คมันปวดใดมันปดเจ็บสมองมันกระโดนเจ็บกระดูกมกระโดดมันเจ็บคอมพิตอรมันกระโดดมันเจ็บหนังมันกระโดดมันเจ็บที่เจ็บแล้วนั่นชีวิตของเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บเช่นกะโลกศีรษะที่มัน เขาินอะไรในป่าในแข้าท่นกับุ่ตเจ็บคนไปเคาะมันกับบุเจ็บมันกับบรลอกหนังที่มันเวยออกไปมั้งท่นตังเขาบ่น่ะค้นมันน่แล้วโกรธท่นแล้วก็ทิ้งมันกับบเจ็บหนังนี่เราทกเล้ะเราอกออกไปทาไปไหว้มันกับบเจ็บบตรเจ็บตัวจิตไปนครู้สึกนี เมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นเป็นเรื่องจิตเขาไปยึบเอาสโลติสก์หรือเอาสมองผมหนังออามาเป็นส่วนเรานี่เป็นคนจะยิดต่างหากนั่นตรงนี้ผมก็เจ็บ่าปวดอีกถ้าเราพิจารณาอย่างทีถ้ามันไ ป, ปันตัดในใจ จิตมันจะรู้กับมือไกแล้วมันตะอยู่นิ่งอย่างเดียวเลยเวทนาก็เป็นอันหนึง่งคือความรู้สึกว่าทุกข์มันก็เป็นอันหนึง่งเฮ้เห็นตลกที่ตาและสมองนี่นก็เป็นอันหนึง่งขนและหนังนี่นก็เป็นอันหนึง่งผู้มีความรู้สึกก็จะเป็นอันหนึง่งรู้สึกก็มันเป็นเวทนาและจะมี ญาณยานคือความรู้นี่รู้จริงทั้งหลายเราเนี่ยอีกคนหนึ่งอาการที่แยกพูดมันค่ากับเป็นของโยงห่างไกลกันแท่ที่จริงพูดเห็นแล้วบมันมิมได้ห่างไกลซบซ้อมกัน่ะในขณะเดียวกันจึงเห็นเป็นเรื่องที่เรื่องเวทนาเจ้ากระด้มารบกวนมีความรู้สึกว่าเป็นทุกขเวทนามีโยงกัน แต่หากจะมาได้ลบกวนจิตใจของเราเราจะาจะมีความสนุกและจะมีความเบิกบานมีความโลดสว่างที่จะนาถึงเรื่องเวทนาดูนะนั่นเป็นอย่างว่าเวทนาสัจจะเวทนาบพราแ ม, มน่นของไทยมมราะแม่สัจตัวตนบุคคลเราเขาจะเป็นสัจังไงจะเป็นตัวเราอย่างไางไ ไม่บุคคลนี่ไหนเวทนาจะเป็นคนนไหนเป็นตนมีตัวนี่ว่ามีตนมีตัวเวทนาราะมันเราม่ขอบท่า น, เนเอเตนาเวทนานุปสนานัิปฐานเราสติไปตั้งี่เวทนาเห็นชัดอย่างตั้ตาเป็นจิงตั้รียกว่าเวทนาแลปันป า, ปานัิปฐานนี้ก็คือการทั้งหากว่า ผู้ไปเห็นชัดเห็นจริงในวยตนเองแล้ยเราจะอธิบายความแจ้งความชัดกวางจริงนั้นให้มันหมดจิ่นตมีหมดหมดหมดจินะพิจานาทำไหเขาบอหมดจินเขื่อนจะอธิบายเราฟังมันก็บะเหมือนที่เราได้เห็นนั้นเราจะอธิบายผู้อื่นฟังมันก็จะเหมือนที่มันเป็น อนนี้เรียกว่าเวทนาหรปรัชนาสติปัฏฐานอนนี้ว่าถึงเรื่องจิตทันนีสตินั่นแหละเติตั้งไว้ที่จิตนั่นฉันมาพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดถึงเรื่องสติแล้วทันเองมันแยกกันเลยได้คันสติอยู่บนไหนสติก็เกิดขึ้นที่จิตฉัน่ามีจิตนั่นกับมีสติสติคือความระลึก อยู่เสมออย่างที่อธิบายฟังมาในเบื้องต้นน่เข้าไปกำหนดทิ่จิตยิตนั่นน่ะสติมันก็อาการของจิตคิตก็เรียกกับผุกจิตควนี้ถ้ามีจิตก็มีสติขันฟ้าหากว่ามีจิตจิตบ็มีสติจะเหลวส่วนคนเรเห็นนั่นจึงส่างหรกออบรมสุกผลสติ ตาแมแนวเที่ยวพุทธเจ้วท่านสแสดงไวนี้เทียกับเทพศนาเลยดิเอาสตินั่นไปกำหนดที่ 10. จิตคิดคิดสู้คิดสูนึกทุกคนนะมีการคิดการนึกคิดนั่นคิดนี้นึกนั่นนึกนี่ส่ ง, ง, งนั้นส่งนี้ได้กับจิตส่งไปท้งดีทางขั้วทั้งส่งไปท้งยาบทางละเอียดท้งภายนอกภายใน นั่นเป็นตัวจิตเราเอาสติไปจับตัวจิตนั่นมันจะคิดออกเป็นนอกกมันถ้าตามผ่านตามเห็นมันคิดอยู่ภายในมันอยู่กับกายกระโหลกเรานีมือนกันตามเห็นมันจะคิดอยากคิดละเอียดไม่คิดอยากเครียดอยากโกรธมันคิดอยากได้อยากดีมันคิดอยากมีอยากรวยมันคิดอย่างก็ตามสิที่มันคิดมันรวดเหมือนกัน เอาสตินี่ไปตามอยู่เสมอตามทันนั้นอยู่เสมอมันจะรู้ตามหลังมันดิรู้คันมันเพราะมันด้ถ้าหาก ส, สุดผัดอยูแล้วมันจะไปตามทันไปตามที่หลังไปตามหลังจิตสติไปตามหลังจิตอันนี้นั่งอัดโนาสมาธิบนจิตไว่พอทันชั่งนานถ้าไปตามหลังจิต ถ้าันกับปิดนั่นเรียกว่าภาวนาติดในผู้ํานานในการภาวนามันคิดยังกับรูดเข้ามันคิดอย่างมันนึกยังก็ต่างรูดเข้ารู้ทันปรโยชน์ทันกับมันคิดมันนึกตั้งพ่อมาจังนะเอยมันไปใส่ไปได้หรออยู่ยึดอยู่กับนั่นแหะอยู่กับความคิดอยู่กับสติอ่ะมันหยากมันละอียกมันคิดยีคิดตัวคิด นอกคิดในคิดทางใดทา ไ, ดไปใส่กระสางมันตามทานันรู้ทันมันอยู่เสมอแลยมันักอายเถอมันเด้ ย, ยืดเอะมันไปว่าได้ไปแค่หมได้มันละอายพราะวานาก็าเป็นบระาเนเปลี่ยนเทอมเปล่นอไคิดไปถึงที่ใดที่ใดไป้อย่างาก็รู้สึกว่าถึคิด พอชรู้สึกว่ามันกลับมาแล้วจึงพอรู้สึกขั้นเราพอรู้สึกว่ามันกลับมาแล้วมันฝ่แล้วมันไปาหอดสิได้ไหมลู้แล้วถ้าตามรู้สึกสติยังตามขั้นตามเนีมันกลับอะไรยังตามทานันไหมยังตามเห็นไหมขณะนันไปประตาม ม, มันประทันเห็นไหนถ้าหากว่าไปติปเนี่ยท่านไปไปฏิบัติอาจารย์พิจาณกัน แล้ววันนี้ทีบตามประทันจะเถืะอจมีที่สิน้นอย่งนั้นวิธีที่จะตามสติในสติที่จะตามจิตให้หาย่ายที่สุแรกเบน้อต้เราดุดใจสัดกดุจตั้งลมให้ใจสักพักหนึ่งสักชุ่นมันก็หยุดละการหยุดอันนี้ค่ายๆจะสันกางนึ่ง นิ่งทักเดียวหยุดนิ่งลงไปพอคั่นลงในใจหยุดนิ่งบมตั้งใจจะห ย, ยุดมัให้หยุดเองหรอกโลกนี้ก็สังขารถ้าเราคั่นลงในใจหยุดทักเลยหยุดนั่นแหละมันนิ่งนั่งแต่น่าบ่อกับเถือนก็กับกเพื่อถ้าจากตัวนิ่งนี่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเตี้ยไปไว้ตรงง้ายตรงที่มันนิ่งหนะ่ดตั้งอจไปไที่อื่นหมดตังต้งใตามมัน เม่ติดจิเน็กเราต้องก็ตามแต่ตามให้มันทันอาจารยบอยกับจังะแต่ตามมันทันจิตอยากรู้จิตรู้ตัวจิตก็ตองถ้าปีตั้งก็ตรงนั่นแหละตรงจีนันเองะมันจะไปยังไรอย่างไรก็ออกไปจากอันนั้นน่ะมันไม่ได้ไปจากที่เดียวกนมีวิธีตั้งสติตามจิตเริ่มต้นลงนี้ ท่นนี้ถ้าหากว่าทําอย่างนั้นบ็ได้แด้วครับเราตามจิตตั้งสติตามจิ ต, ม, ต ม, มันคิดไปทางใดทางไหนก็ไปตามบุงมันอยากได้เงินอยากได้ท้องอยากได้เข่าได้ของตัง้งปฏิญญามันไปยึดแบบเราะมันไปคิดอยากได้หมันไปยึดยนั้นน่ะมันไปจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้น ยึดในเรื่องนั้นเป็นลูกไปคำยังในเรื่องนั้นไปพิจารณาในเรื่องนั้นมันได้ไหมที่หย่างอีนี้ประโยชน์อย่างไหนมันมีคุณอย่างไหนอย่างว่ามันอยากได้เงินได้ทองมันได้เข่าได้ของสิ่งใดก็ต่างได้เงินได้ทองมาซื้ออยู่ที่จีนมาซื้อมาใช้มาอย้ืี่กินได้กินไปอย่ง กินเพื่อว่าให้มันตายเล้วมันมดชุดนะเพื่อมันลุ่มว่าให้มันตายหรือเราถึงแม้มันจะตายแล้วมันานตายได้แค่คนหิวห่วยนะฮะนี่เรากินนั่นอ่ะว่าให้มันตายยีคนได้บ่เมันอกคนไม่ได้มันก็ต้องตายวันหนึ่แต่มันกร้างหรยังหน่อยแค่หิวมันหมดตัวต้มหิวมันเศร้ามันบอกมอนมันก็บรเทาหิวห่ย มันงับไปตัวข่าวแล้วมันกป็นยุ่งยากเราอยากได้นั้นอันนี้มาใล้เาสอเราใช้เป็นยังใช้เพื่อามลงคมสุขแล้วมันทุขกวเทียนหนาที่เราใช้มันสุขอาจารยเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้สิ่งใดมาใช้สี่นั้นเราจใ้ให้ควาสุขแค่เดียวเครื่องใช้สมมติเราพัก่อนที่เราใ่นุ่งห่มไปแล้วตัแล้วก็ตลุกเคลื่อนเปดเม้นเอาเม้นส ก็ต้องซักกำามสอาต้องเก็บตํางรักษาไม่ใช่นคนตัวใหญ่เดียวเมื่อเราพิจารณาค้นคว้าไปคนไปนในผลที่สุดล้วนแล้วจะประกอบไปด้วยของทุกอข์ก็ประกอบไปด้วยความเป็นวายตัวกายก็ทุกข์ดึกก่แล้วแหวงหายของนั้นมายิ่งเป็นเรื่องทุกข์ไงมีพิจารณาไปเลย มีแต่เรื่องก่อกรรมทำเลียนมิไดก่อทุกข์โทษภัยโดยสวนมากแล้วก็ได้ยังในผลในสุดมันยุงนนย่งก้บตะโกนมาวุ่นกับตะโกนระยะแตกด่าแร้ดับนี้เหลือแค่ทำเหลือเมืทิ้งหมดทั้งแานนอกภายในภายในคือตัวองเราแานในอกคือสิ่งของหลายงานพิจารณาที่เรามันจะจ่าจมันจะลงไหมกันมันอยู่ด้ มันตามไปไม่เห็นตามในจริงๆมันลงเลยมันสดัะเลยนั่นเรียกว่าตามไปเห็นตามจริงมันจะลงมาอยู่นิ่งมานิ่งหนึ่งเห็นว่าสิ่งที่สระคือปล่อยวางจิตมารวมเป็นหนึ่งลงไปได้เอกขตตาจิตเอกกาตาลา น, นัเห็นเป็นสระอันใหญ่โตโดทานเฟ่งแย็นตาในอย่างยิ่งเห็นสิ่งที่ปรารถนาะ โดยเฉพาะอันนี้เรียกว่าคิดมันหลบนี้เราพิจารณาถึงเรื่องคิดคําท้าห่างมันลงได้อย่างนี้แล้วครับมันก็ต้องเข้ามาหาจิตอีกละจิตนี้น่ะเพียงเรียวจิตเหมันเ น, นื้เ่อเฉยมันมาได้ไหมมันมาได้นะคิดไปก็ปล่อยวางไปคิดไปก็ปล่อยวางไปทิ้งไปท่าหนหลวงพ่มาก็ะหมายเปรียบเหมือนกันกรับว่า ลีงธรรมดาเลีงเนี่ยถ้ามันจะไปยังไงก็ตามแค่นี้ก็ตามมันจับกิ่งไงข้างหัวไว้ซะก่อนมันพี่กโหนตัวไปไปจับกิ่งข้างซ้ายมือซ้ายจับกิ่งหนึ่งแล้วมันยังคอยวงางกิ่งหัวมือห้วนี่คอยวางกิ่งไงโหนไ้ทีละหรือนม่ใช่ น, น่าจะเหมือนกับปี ที่มันเกาะตรงไม้ใบหยางมันต้องขอแล้วมันจะไปวางทั้งหางมันจะไปวางจิตคนเราทำงานมันเกาะไปเกาะไปขึ้ไปคึดนไปแล้วบาได้เห็นกันเราไม่เห็นชัดอย่างไรเราเราจะได้ปล่อยจิตแล้วก็จะไปยึดในสิ่งต่างเห็นชัดว่าเป็นเรื่องของจิตบางทีสาละเนี่ย เกิดขึ้นคือปล่อยนี่ล้วก็ไปจับมันจับนั่นก็ปล่อยมีของจับนั่นก็ปล่อยไปคืบไปคืบไปทิ้งของเก่าไปเรอาลังคิดดูที่ตั้งแต่เช้ามันนคิดอย่งเนี่ยมาลองมาไว้ไวในใจว่ีเวลานี่จเอาถอะ้ยพิจารณาอย่างนี้เห็นกแต่ว่าเป็นเรื่องคิดว่มนของใช่ว่ามันตนม่นเือว่ามีเรานี่เขา อนาการลักษณะรวมรวมแรงแรงแค่แท่แล้วปล่อยวางลงไปได้ในขณะนั้นจิตก็จะสงบรวมลงไปได้เรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตอาการคัวัฒแสดงอาการไว้สิบไปตนในตัวเสนาเขานาะอกไปตัดตัวตนหยุดตนเขาเนเรียกว่าจิตกางปัชนาจประทครนี้สรุปลมได้คันพิจารณาท ทั้งหมดนั่นแะพิจารณากายสติพิจณาเวทนาสติพิจรณาจิตคติรูปเรื่ น, สสน้งมดนมี่เป็นธรรมะหนึง่งเพิจารณารูปธรรมนามธรรมมารวมกุฎนั้นตรงนั้นเห็น factor เ, เป็นรูปเป็นนามเกิดดับเกิดดับบ่มีอย่งเป็นสาระารแต่มใผู้ไปเห็นแต่ factor ผู้ไปเห็น ธรรมะที่เราพิจารณาเนี่ยคือสักจะออกเป็นธรรมะที่เราพิจารณาความรู้ ก, กับสักจะออกความรู้เิกของสหารไปให้พื้นที่พุทที่เราปฏิบัติทางหวงเมดต์พวกมีได้ตรงนี้เสียทาตามหน้าที่ของแต่ละเรื่อนแต่ละบุคลคลิก็ทาตามเทียงสี่สิจิตหนึ่งทติก็เป็นพุทตามพวกคุมดูแลรักษาตามรู้ตามรู้เท่าทัน กายก็เป็นเรื่องของกายมันจะต้องเกิดต้องดับเวทนาถ้าเกเป็นเรื่องของเวทนาจะต้องเกิดตดับสัญญาที่ตามไปรู้เป็นเรของสัญญาไม่บอพิจารณาเกิมันแตชัดเมื่อบทพิจารณามันก็บรรลุมันกระโลงเบอร์รู้เบอรแล้วพิจารณาแล้วมันก็บรรลุได้อีกอย่างสัญญานไหบอเอาไปให้ฉันแล้วามเดีก็คนเลยเป็นเรื่องของแายานี่สติปัฏฐานสติอุปเดเจ้าเทศนาให้บอกเราพา อกลมอย่างอธิบายมาแล้วสติท่าหากว่ไอ้จิตท่าหากบ่มีสติบ่มีคุณค่าประโยชน์เนี่ยสตินี่แหละท่าหากนัดแนนมาแน่นมั่นคงทเทเรเขาได้อุบายปัญญาครื่องขวบดังอธิบายมานี้ถ้าสติน้อยแม่ที่สุดแต่จะควบคุมสติไอ้จิตให้อยู่ก็ทั้งแสนยากทาบ่มีสติปล่อยกรรมนถากรรมเฉลยคือมันจะคนบ่มีสติเป็นบ้าเป็นบอเป็นบ้าเป็นบอ คนที่กิ้นเหล้าเมาสุรามื่นเมาโดยม่มีสติทอดทิ้งตัวทิ้งอยู่ตา ม, ม, มถนนนันทางเป็นหน้าอับสายขายชิ้นหน้าสติทิ้งได้ชัวร์เป็นของดีสูงสุดท่าหากระสุนได้สามารถที่จะให้รุดพ้นจากที่เด็ตาประถมต้นจากทุกในวัตาทุกทางพอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงส อ, งสอนให้เราพากันอบรมสติ อบรมทางอื่นนะเรเป็นไปเพื่อสอนโดยสุดหมดจุดถ้าอบรมในตามตามแนวนี้นะ่ะการที่ไอ้ที่ให้บดโดยสุดหมดสด จ, จะมีทางเดียวเท่านี้เพื่ออบติตามแนวสติกะการ น, นี้อาจารย์ที่ทุกคนพอกพันเข้าใจใส่คิดนึกทิจรนาปฏิบัติตามนายะเที่ยบุตรเจ้าท่านแสดงไว้นี้พิจรณาโดยในอธิบายมันนี่เพื่อเข้าใจแล้วจตั้งใจปฏิบัติไปตาม กอจะเป็นผลให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการปากหาั้งมนทุกคน